สัจจะ บ, บารมีที่ช่วยสงเคราะห์สัตว์อื่นให้ได้รับประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกต่อๆไปสร้างอุปนิสัยให้เขาเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลนี่ก็มาขึ้นวัตตกะโปตะกะจริยาเนี่ยนีก็ใครเคยฟังสวดเนี่ยอธิโลเกศิละคุณโนสัจจังโซเจยนุทยานี่นะก็คาถาเนี่ยนะที่เรียกว่าพระนิยมเอามาสวด อรนนคถานกคุ้มอ่ะนะนกคุ้มไม่ใช่นกคุ้มนกคุ้มอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นลูกนกคุ้มขนยังไม่งอกยังอ่อนเป็นดังชิ้นเนื้ออยู่ในรังในมคตชนบทก็เป็นลูกนกอ่ะนะลูกนกอาจจะคลอดได้วันสองวันแค่นี้ยังแดงๆอยู่เลยขนก็ยังไม่มีขาก็ยังอ่อนดูแดงๆเลยในการนั้นมารดาเอาจะงอยปากคาบเหยื่อมาเลี้ยงเรา เรานี้เป็นอยู่ด้วยภัสสะของมารดากําลังกายของเราก็ยังไม่มีแสดงว่าตัวนี้อ่อนปวกเปียกเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเป็นหน้าหน้านี้กลางถ้าแถวฤดูร้อนเนี่ยกลางวันร้อนก็จริงแต่กลางคืนเนี่ยหนาวเน็บกลางคืนเนี่ยหนาวเน็บแล้แคว้นมคธเนี่ยไม่ต้องห่วงแถวนั้นนะ่ะหนาวแหล ะ, ละทีนี้ก็อาศัยอะไรอยู่ด้วยภัสสะแห่งมารดามารดาก็อนนสยายปีกใช่ไหมสยายปีกแล้วก็ปก ลูกเอาไว้พันชีวิตโดยธรรมดาก็อยู่ด้วยเรียกว่าความอบอุ่นแห่งมารดาคิดดูนะพระโพธิสัตว์ยังเกิดเป็นนกเนี่ยนะเป็นนกคุ้มตัวเล็กๆเนี่ยนะเกิดเป็นนกแล้วเราเป็นใครนะขงเรื่องถ้าทำบุญไม่ดีนี่ระวังให้ดีเนอะเป็นนกคุ้มเพราะบางพวกเขาชอบดักนกคุ้มนะน้าถ้าเป็นหน้าถ้าแถว ทันวาเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มดักนกชนิดนี้แหละก็ถือว่านกมันนกชนิดนี้เนื้ออร่อยเขาว่างนันเป็นที่โปรดปรานของเมื่อไม่นานนี้ดูภาพหนึ่งที่เวียดนามเนี่ยเขาขายนกอ่ะนะขายนกถอนขนนกอถอนขนนกเลี้ยงเลยนะแล้วก็มาจับนกมัดแบบมัดไก่อ่ะนะไก่ถอนขนอ่ะเป็นๆยังไม่ตายเราเราวางขายบอกว่าเป็นที่นิยมแพร่หลายของประชาชนเขาวางนัน ประชาชนชอบมากนี่ก็เหมือนกันพูดถึงว่าเอใครจะรู้แล้วนกในนกในนั้นมีนกพระโพธิสัตว์อยู่ด้ว ย, ย, ยแต่ว่าอย่างว่านี่ขนาดบำเพ็ญบารมีมาตั้งสี่อสงไข 99, 999ก้าหม้าักบเกับเกือบเต็มอยู่แล้วขาดอีกนิดเดียวไม่กี่ล้านปีเนี่ยนะนี่ยัยยเกิดเป็นนกได้ผู้ที่ไม่เห็นสัจธรรมเนี่นยนะผู้ที่ยังไม่เห็นอริยสัตว์นี่ถือว่า เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายกว่าการไม่แทงตลอดอริยสัตว์ถ้าแทงตลอดอริยสัตว์ไปแล้วท่านก็พ้นไปจากทุกแต่ทีนี้ถ้าท่านตรัสรู้อริยสัตว์ก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่สามารถที่จะช่วยสงเคราะห์สัตว์อื่นได้เท่านก็ยอมที่ตัวเองยังไม่เห็นอริยสัตว์เรียกว่ายอมอยู่ทนทนอยู่ด้วยความทุกข์ยากเพื่อที่จะช่วยสัตว์ให้พ้นไปจากความทุกข์ท่นถือว่าความทุกข์เหล่านี้ ทุกที่ท่านเกิดเป็นลิงเป็นนกเป็นเนื้อเป็นอะไรทั้งหมดให้รู้เถอะว่าความทุกขเหล่านั้นทั <iale fim. S 2> ้งหมดก็เพื่อเราทั้งหลายเราจะยอมให้ความทุกข์ของท่านเหล่านั้นสูญเปล่าหรือหนไหรือว่าแกล้งพระพุทธเจ้าให้ท่านเหนื่อยเปล่าเปล่าเลยนะเราไม่เอาของท่านอะไรสักอย่างเลยนะเราจะไปตามทางของเราพระพุทธเจ้าก็ไปตามทางของพระองค์เถอะพระองค์บำเพ็ญบารมีมากกัเรื่องของพระองค์ไปเราก็จะไปตามทางของเราเราเอางั้นไหม โดยมากสายหัวบอกไม่เอาแต่เชื่อไว้การปฏิบัติโดยมากทำอย่างนั้น <c oughs> ไม่เอาโดยอะไรนะโดยวจีกรรมแต่โดยพฤติกรรมนี่ไม่ใช่เลยไงนะก็ดูเอากันแล้วว่าสมเหตุสมผลไหมเนี่ยนะนะย้อนกลับมาอีกนะว่าลูกนกลูกนกในฤดูร้อนทุกๆปีมีไฟป่าไม่ลุกลามมาไฟไม่ป่าเป็นทางดำเนี่ยลุกลามมาใกล้เราไฟไม่ป่าลุกลามใหญ่หลวง เสียงสนั่นอึออ้องคือนกประเภทนี้เนี่ยนะมันอยู่ในป่าพวกพวกปา่าต้นต้นญ้านะไม่ใช่ป่าใหญ่แบบแบบป่าแบบทั่วๆไปจะเป็นป่าพงหญ้าที่มันเป็นเชื้อเพลิงชันดีที่อินเดียนี่เห็นชัดมากเลยช่วงช่วงที่ไปข้างหลังเนี่ยพงหญ้าคล้ายๆกับป่าไม้อ้อนะแบบคล้ายๆป่าไม้อ้อสูงทั่วหัวเนี่ยเยอณาบริเวณเป็นสิบสไร่อย่างเงี้ยนะพันามันแห้งแห้งๆหน่อยเนี่ย ไฟเข้าเนี่ยโอ้โหไหมสนั่นเลยแหละไมมดีนักแลไฟไหมป่าเนี่ยนะเสียงก็ดังสนั่นเอื้องไฟไหมลุกลามมาโดยลําดับไฟนั้นก็ใกล้เข้ามาจวนจะถึงเรามารดาบิดาของเราสะดุ้งหวาดหวั่นใจเพราะกลัวไฟที่ไหมมาโดยเร็วจึงทิ้งเราเอาไว้ในรังแล้วก็หนีเอาตัวรอดไปเพราะว่าอย่างว่านะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายรักตัวเป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ รักตัวเป็นที่สุดเมืนั้นนะจะรักลูกขนาดไหนก็หนีเอาตัวรอดไปก่อนก็ไม่มีใครรักลูกถึงขนาดว่าถ้าลูกตายแล้วก็ขอตายพร้อมกับลูกขนาดนั้นนะนะว่มีไม่กี่คนเนาะมีแต่นนิยายซะส่วนใหญ่เนี่ยนะใ น, นโลกของความเป็นจริงแท้หายากนี่ก็เหมือนกันพ่อแม่ถึงจะรักลูกขนาดไหนในที่สุดก็นั่นนะก็จากไปอ่ะนะเรานั้นเหยียดเท้ากลางปีกออกลองเหยียดเท้าดูซิกลางปีกที่ไม่มีขน เหยียดเท้าที่ไม่มีแรงอ่ะ น, นะก็รู้ได้เลยว่ากำลังกายของเรานี่ไม่มีเรานั้นไปไม่ได้จนเราก็เลยอยู่ในรังนั่นแหละรังของนกชนิดนี้ก็ไม่จะว่าจะไปวิเศษวิโสอะไรเพราะก็มีท่อนยานั่นแหละโอ้เชื่อเพลิงอย่างดีอีกนั่นแหละรังของเขาอ่ะนะก็เลยคิดอย่างนั้นในการนั้นว่าเมื่อก่อนเราเนี่ยสะดุ้งวัน่นพึ่งเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในระหว่างปีกของมารดาบิดา ปกตินะถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาก็สุก อ, อกแม่องัแบบน้นค่ะบัดนี้มารดาบิดาทิ้งเรานี้ไปแล้ววันนี้เราจะทําอย่างไรถ้าเป็นเราเราจะทํำยังไงไปไหนก็ไม่ได้ตายแนย่ไฟมาครอะ ต, ตายเผาตายแน่แต่ผู้ที่สั่งสมบุญมาก็คือผู้มีบุญ น, นะเนื่องจากว่าท่านสั่งสมบุญมานานท่านก็เลยระลึกถึงศีละคุณระลึกถึงความสัตย์คือสัจจะ ระลึกถึงพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยความสัตย์ความอินดูกรุณามีอยู่ในโลกด้วยความสัตย์นั้นเราจักกระทําสัตย์จะกิริยาอันสูงสุดท่านคิดถึงพระพุทธเจ้าได้นะท่านเป็นนกเนี่ยนะท่านคิดถึงพระพุทธเจ้าได้แสดงว่าท่านสั่งสมอัธยาศัยมามากส่องเสพอัธยาศัยในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณศีลคุณสัตย์จะเป็นต้นเนี่ยมาเป็นอย่างดี ถ้าสะสมมาไม่ดีนี่ถ้าเป็นนกทำยังไงกระเสือกกระสนหนีไฟซึ่งได้ไม่กี่คืบใช่ไหมแต่นี้ท่านระลึกถึงสีและคนึกถึงสัตวจะละลึกถึงพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเพรันเวลาที่เราสรรเสริญคุณพระรัตนะไตรนี้่าได้เบื่อหน่ายจะได้สังสมมีปัญหาอะไรจะได้ละลึกระลึกได้มีโยมคนหนึ่งเขาเราว่าเขาไม่สบายมากล้มแผลลงไปหัวเกือบหัวนอกพื้นนั่ะแต่ว่ามันนอกไม่แรง บอกนึกหาอะไรก็นึกไม่เจอเหมือนกันนึกถึงแต่ความเป็นห่วงเป็นใ ย, ยนึกถึงแต่โลกเป็นต้นก็แสดงว่าคนที่สั่งสมพุทธานุสติเอาไว้ในใจไม่เพียงพออย่าคิดนะว่ามีปัญหาแล้วจะนึกถึงพระรตนาตรายเนี่ยนะรารตนาตราย น, นึกถึงเป็นลําดับสุดท้ายหมดทางไปจริงๆแล้วค่อยค่อยเอาเนี่ยนะบางคนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะถ้าเราฝึกฝนในการตามเจระระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ชํานาญ ระลึกถึงพระธรมรมระลึกถึงพร ะ, ะสงฆ์ให้ชำนาญแล้วสมาทานไว้เลยว่าชีวิตเราจะมีปัญหาทางร่างกายและจิตใจขอถือพระธรรมตรายเป็นที่พึ่งถ้าหมันสมาทานไว้แบบนี้บ่อยๆตั้งใจแบบแบบแบบแบบนั้นจริงๆจะได้แต่ถ้าเอาเธอเรียนธรรมมากกวเรียนไปฟังไปเรียนไปไม่มีอัธยาศัยไม่มีเป้าหมายไม่ได้ตั้งเป้าหมายเชื่อนะไม่สบายหน่อยก็บอกส่งพระไตรปิฎกคืนนะ สองปะไตวิกคืนส่งคําสอนคืนละวางไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วป่วยแล้วเลิกศึกษาแล้วหนังสือก็อ่านไม่ได้ธรรมะก็ไม่ฟังแล้วนะขออยู่ตามเดิมดีกว่าอยู่แบบคนอาภัพต่อไปเพราัน้าไม่ตั้งอัธยาศัยปลูกฝังอุปนิสัยเอาไว้ให้ดีอยาคิดนะว่าเราจะเอาคําสอนพันต้องหมั่นสมาทานให้ดีเลยว่าชีวิตของเราจะเดือดร้อนจะลําบากกายลําบากใจจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างเธอ เราจะไม่ทิ้งพระรัตนตรยัยเนี่ยนะให้ใจของเราเป็นไปกับพระรัตนตรัยอยู่เสมอตั้งตั้งไว้อย่างนั้นจริ ง, รงๆนะถ้าไม่ตั้งไว้นี่เชอร้อยละ99ด้วยหรืออาจจะร้อยละร้อยหนึ่งด้วยซ้ําไปว่าไม่เอาเนี่ยนะเรียกว่าไม่เอาเกินร้อยละเชื่อขอให้ถ้าตั้งไว้จริงๆแอ่ถ้ามีอะไรขอนึกถึงพระรัตนตรัยอะไรไว้ก่อนพรัะถ้ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมา ลองยับๆดูนะถ้ามีเรื่องไม่สบายใจเนี่ยเราคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนไหมถ้าไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนเลยก็แสดงว่ า, าหน้าสงสารนะนะว่างั้นไงเจริญกรุณาให้ตัวเองไว้เยอะๆเถอะว่าตัวเองเดือดร้อนต่อไปข้างหน้าแน่บรรท่าอย่างใดก็ตามเถอบุญกุศลคุณงามความดีเราต้องตั้งเอาไว้เลยเนะศีลที่เราเจริญคําสัตว์ที่เรากล่าว พระสัพพัญยูผู้พรเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราเนี่ยนะชีวิตของเราถ้าจะมีปัญหาอะไรก็ขอละลึกถึงสิ่งเหล่านี้เอาไว้เสมอเนี่ยนะอย่างไรก็ขอให้ใจของเราเป็นไปกับพระรัตนตรยัยเป็นไปกับศีลเป็นไปกับความสัตด์เป็นไปกับมหากรุณาของพระพุทธเจ้าถ้าถ้าละลึกไว้อย่างนี้เมื่อมีภยัยมีอุปสรรคมีปัญหามีเหตุการณ์ใดๆใจของเราก็จะถือเอาพระรัตนตรัยนี้เป็นเป็นหลัก ในที่สุดเราคำนึงถึงกำลังพระธรรมเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้พิชิตมารอันมีในการก่อนนะระลึกถึงกำลังของพระธรรมระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตได้กระทำสัจจะ ก, กิริยาแสดงกำลังความสัตว่วาปีกของเรามีอยู่แต่บินยังบินไม่ได้เท้าของเรามีอยู่แต่ยังเดินไม่ได้มารดาบิดาก็พากันบินออกไปแล้วนะนะ แน่ไฟจงกลับไปพร้อมกับนะก็เรียกว่าแม่ไฟจงกลับไปพร้อมกับเมื่อเราทําสัจจะกิริยาไฟที่ลุกรุ่งโรดใหญ่เนะเป็นไฟที่ใหญ่หลวงเวน้นสิบหกฤรไฟดับณที่นั้นเหมือนจุมลงในน้ําผู้เสมอด้วยความสัต์ของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีของเราเนี่ยนะ สันติตาธาอาวันจนาเนี่ยนะสันติปัคขาอปัตนาสันติตาธาอาวันจนามาตาปิตาจนิเนันตาชาตะเวทะปฏิกมาสหาสัสเจเ ก, กเตไมัยหังมหาปัจจริโตสิกีวัชเชสิโสลสักรีสานิเป็นต้นเนี่ยนะเขาก็มีสมัยก่อนให้สวดให้งานต่างๆสรุปว่าย้อนกลับมาเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ผู้เกิดเป็นนกขมว่าเมื่อก่อน นะเมื่อก่อนเราหวาดสะดุง้งหรือว่าสะดุ้งหวาดหวั่นก็ไปซ่อนตัวอยู่ในระหว่างปีกมารดาบิดาคือเรานี้เพราะความกลัวตายความหวาดสะดุง้งความสะดุ้งจิตกลัวตกความตายหวั่นไหวเพราะร่างกายนี้สันบัตรนี้ถูกไฟป่ารบกวนสําคัญดุดลุ่มน้ําจึงวิ่งเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในระหว่างปีกแห่งของมารดาบิดา มารดาบิดาของเราเหล่านั้นทิ้งเราไว้แต่ผู้เดียวนี้ไปเสียแล้วทําไงนาะถ้าเป็นของเราเนี่ยไฟไม่ว่านลุกมาท่วมเลยทําไงกุญแจก็ล็อกไว้ห้องหมดไหมออกไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยอะไรก่อนนึกถึงครั้งแรกก่อนนี่นะตอนฟังอย่างนี้เราบอกพระพุทธเจ้าเชื่อเหรอตอนนั้นจริงๆอนะิะเหอพอไฟดับมาลองไม่ต้องว่าไฟไหมหรอกไฟดับพระพุทธเจ้าก่อนเลยไหม ไฟดับก็พระพุทธเจ้าก่อนรถยางแตกก็พระพุทธเจ้าก่อนจะมีไม่สบายใจก็พระพุทธเจ้าก่อนดีใจก็พระพุทธเจ้าก่อนถ้าอย่างนี้เชื่ออยู่เนี่ยนะแต่ถ้าอย่างนี้ก็ยังไม่เชื่อเรียกว่าพยายามอยากกระเชื่ออยู่แต่ว่ายังไม่กล้าเชื่อสนิทใจเนี่ยนะกลัวผิดหวังมาหลังบทว่ากระถังเมอชะกาตะเวคือวันนี้เราควรทาควรปฏิบัติอย่างไร พระโพธิสัตว์มิได้หลงลืมสิ่งที่ควรทำไม่หลงลืมเลยนะไม่เผลอเลยอันนี้เรียกว่ามีสติยืนคิดอย่างนี้ว่าในโลกนี้คุณของศีลยังมีอยู่คุณของศีนะคุณของเจตนาศีลคุณของเจตสิกศีลสังวรศีนอวีติกรมะศีลคุณของจาริศศีลวาฤศศีลคุณของจตุปาริสุทิศีลเป็นต้นเนี่ยนะยังมีอยู่ และหนึ่งนะแรกคุณของสัจจะก็ยังมีอยู่คุณของคําพูดที่จริงก็ยังมีอยู่นะความจริงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายความจริงอันนี้ยังมีอยู่ธรรมดาพระสัพพัญญูพุทธเจ้ า, าทั้งหลายในอดีตบําเพ็ญบารมีนั่งณนะัพื้นโพธิมณฑลตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้ า, าเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศ น, นะ ะนะพระองค์ผู้สมบูรณ์แบบนั้นด้วยคุณธรรมดังกล่าวนั้นประกอบด้วยสัจจะพระองค์มีความเอนดูกรุณามีความอดทนบำเพ็ญเมตตาสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังมีอยู่สรวศีนยังมีอยู่สัจจะมีอยู่พระสัพพันยูพระพุทธเจ้ามีอยู่พระธรรมอันพระสัพพันยูพุทธเจ้าเหล่านั้นแทงตลอดแล้ว เป็นคุณอันประเสริฐโดยส่วนเดียวยังมีอยู่นะมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะคุณเหล่านี้ก็ชื่อว่ายังมีอยู่เพราะถ้าผู้ใดปฏิบัติตามก็ตรัสรู้จริงอันหนึง่งความสัตย์อย่างนี้แม้ในเราก็ยังมีอยู่ตัวสัจจะนะก็ยังมีอยู่ในตัวเราเพราะเพราะท่านเป็นผู้ที่อยู่ในคลองแห่งสัจจะเนี่ยนะสภาวะธรรมอย่างหนึ่งยังมีย่อมปรากฏอยู่เพราะฉะนั้น เราควรระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตควรระลึกถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วถ้าใช้คำว่าแทงตลอดแทงตลอดด้วยการกำหนดรู้แทงตลอดด้วยการละแทงตลอดด้วยการทำให้แจ้งแทงตลอดด้วยการเจริญถือเอาสภาวะธรรมอันเป็นสัจจะซึ่งมีอยู่ในตนว่าตัวเองนี่เป็นผู้ที่ดารงอยู่ในคลองแห่งสัจจะ ประพฤตคุณงามความดีบุญกุศลแล้วทําสัจจกิริยาให้ไฟนี่กลับไปแล้วทําความสวัสดีแก่ตนและแก่สัตว์ที่เหลือซึ่งอยู่ณบริเวณนี้ในวันนี้นนก็ไม่เผลอเลยนะไม่ลงลืมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่ลงลืมศีนไม่ลงลืมคุณงามความดีที่ตัวเองเจริญมาเลยแม้กระทั่งไฟป่าไรลเข้ามาของเรานี่ให้ศึกษาพุทธคุณให้มันมั่นคงเลยนะ พระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเวลามีอะไรก็นึกถึงคุณพระรัตนตรัยนีอย่างกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองละลึกถึงความดีทั้งมวลที่ได้ทำมาละลึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีมงคลเป็นต้นที่เจริญมาถ้าละลึกอะไรไม่ได้เลยก็ได้อะไรก็ได้แต่ความเศร้ามองถามว่าถ้าเสียใจแล้วแก้ปัญหาได้ไหม ไม่ได้เนี่ยนะตายต่อตายนี่ตายแน่ใช่ตกนรกอีกต่างหากนี่สิประโยชน์โลกนี้ก็อดประโยชน์โลกนะ้ก็เสียหายเนี่ยนะเบียดเบียนปัทุสลายจิตใจตัวเองก่อนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคุณของศีลคุณแห่งสัจจะพระสัพพันญูพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยสัจจะพระองค์มีความเอ็นดูกรุณามีอยู่ในโลกด้วยความสัตว์นั้นเราจะกระทำสัจจะกิริยาอันสูงสุด เราคำนึงถึงกําลังของพระธรรมระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้พิชิตมารอันมีอยู่ในการก่รได้กระทํำสัสสจจกกิริยาสแสดงกําลังความสัต์อธิบายว่าพระโพธิสัตว์ระลึกถึงกุลของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งปรินิพานแล้วในอดีตปรารบสภาพธรรมของสัจจะอันมีอยู่ในตนได้ทําสัจจะกิริยาแบ่งเป็นสองเรื่องนะ ท, ที่สาเหตุที่ ท, ท, ท, ท, ท, ทำให้ท่านตั้งสัจจะกิริยาคือคุณความดีของพระตนตรายนี้อย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือคุณความดีแห่งตนนะสัจจะที่มีอยู่ในตนก็เลยแสดงคาถาต่อไปว่าปีกของเรามีอยู่แต่ก็บินไม่ได้เท้าของเรามีอยู่แต่ก็ยังเดินไม่ได้มารดาบิดาก็พากันบินออกไปแล้วแหน่ไฟจงกลับไปเถิดสั่งได้นะแม่ ถ้ามีบุญขนาดนี้สั่งไฟได้ใช่ไหมก็เหมือนกับกดปุ่มนี่แหละกดให้ไฟมืดก็ได้กดให้สว่างก็ได้กดไฟรีกดอะไรก็ได้ทั้งหมดอ่ะนะบุญแบบเ ร, เราก็ยังทำได้ตั้งหลายเรื่องอ่ะแล้วบุญของพระโพธิสัตว์ขนาดนี้ทำไมจะทำไม่ได้พระโพธิสัตว์ได้นอนทำสัจจะกิริยาว่าหากความที่เรามีปีกความที่เหยียดปีกบินไปในอากาศไม่ได้ความที่เรามีเท้าความที่เรายกเท้าเดินไปไม่ได้ ความที่มารดาบิดาทิ้งเราเอาไว้ในรังแลว้วก็หนี้ไปสิ่งนี้เป็นความสัตว์จริงนี้เป็นความจริงแน่ายด้วยความสัตว์นี้ขอท่านจงหลีกไปเสียจากที่นี้คือต้องเจริญคุณธรรมให้มีอยู่ในจนก่อนนะตั้งสัจจะวาจาจึงจะสําเร็จเั้นคนที่ไม่มีธรรมะอะไรอยู่ในใจเลยตั้งสัจจะวาจานะเหมือนกับคนเที่ยวสาบานทั่วไปหมดเนี่ยว่าถ้ามันจริงขอให้มันอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้นี่ก็ไม่ค่อยสําเร็จประโยชน์อะไร เขบอกว่าพร้อมด้วยสัจจกิริยาของพระโพธิสัตว์นั้นไฟก็ได้หลีกไปในที่ประมาณ16กกรีดและเมื่อไฟหลีกไปก็ไม่ได้ไหม้กลับเข้าไปป่าณนะที่นั้นดับอยู่ณนะที่นั้นดุดคบเพลิงที่จุ่มลงไปในน้ำํำฉะนั้นที่พระองค์ตรัสว่าพร้อมกับเมื่อเราทําสัจจะกิริยาไฟที่ลุกรุ่งโรดใหญ่หลวงเว้นไว้16กกรีดไฟนั้นดับณนะที่นั้นเหมือนจุ่มลงในน้ํา ก็สัจจกิริยาของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นเบื้องต้นของการทํางานของการระลึกถึงพระพุทธคุณในสมัยนั้นไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นเบื้องต้นก่อนจะตั้งตั้งสัจจะเนี่ยนะใครเนาะนกตัวไหนเนาจะคิดได้อย่างนี้อย่าว่านกเลยคนเรียนธรรมะมาเป็นปีๆก็ยังเลิกไม่ได้อย่างนี้นะยากเลยนะถ้ามีปัญหาอันหนึ่งก็โงอ้งอง้งโวยวไปหมดก่อนแล้วค่อยมาระลึกถึงทีหลังเหมือนกันนะพันธ์ก็ อันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สั่งสมมานานต้องอบรมมานานต้องหมั่นสั่งสมหมัน่นอบรมให้ระลึกถึงพุทธคุณในในทุกสมัยเนี่ยนะถ้าเราดีใจเราจเจริญพุทธานุสติได้ไหมเราลองมาถามตัวเองดูนะถ้าตอนที่เราดีใจเราจเจริญพุทธคุณได้ไหมถ้าเราเสียใจเราจเจริญพุทธคุณได้ไหมถ้าเราเฉยเฉยเราเจริญพุทธคุณได้ไหมถ้าไปอยู่นะตรงนั้นตรงนี้เป็นต้นเนี่ยนะที่เราต้องไปอยู่แล้วเนี่ย เราเจริญพุทธคุณได้ไหมตั้งคำถามว่าที่ไหนบางที่เราเจริญพุทธคุณไม่ได้ลองถามดูที่ว่าเราเจริญไม่ได้ทำไมเราเจริญไม่ได้หรือไอ้ที่ผ่านมาเราไปอยู่ที่ไหนทาไมไม่ค่อยเจริญเลยมันเพราะอะไรเป็นต้นแล้วต่อไปจะเจริญได้ไหมอ้างว่างานยุ่งเจริญพุทธคุณไม่ได้ขนาดนั้นเลยหรือนะเขาบอกว่างานยุ่งหรือว่าเพรสเจอร์อยู่บริเวณงานก็ไม่ทราบนะนะก็มีหลายอย่างด้วยกัน คำสัจจะที่น่าสนใจบอกว่าสัจเจนะเมสโมโนนทีเอซาเมสัจจะบารมีนี่นะบอกว่าผู้เสมอด้วยสัจจะของเราไม่มีนี้เป็นบารมีของเราสถานที่นั้นจึงเป็นปาฏิหาริย์ตั้งอยู่กับหนึ่งเพราะไม่ถูกไฟไหม้ในกับทั้งสิ้นบอกว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยไฟไม่ไหม้ตลอดกับพระโพธิสัตว์เนี่ยด้วยอำนาจของสัจจกิริยาท่านก็ทาความปลอดภัยให้แก่ตนแล้ว แกสัตว์ทั้งหลายผู้อยู่ในบริเวณนั้นทำให้สัตว์บริเวณนั้นเนี่ยพ้นจากทุกข์เมื่อสิ้นอายุไขก็ไปตามกรรมนะสรุปมารดาในครั้งนั้นก็เป็นพระมารดาในครั้งนี้ส่วนพนส่วนพยานนกคุ้มก็คือพระโล ก, ก น, นาถ พูดถึงคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่าเมื่อไฟป่าลุกลามมาอย่างน่ากลัวอย่างนั้นพระโพธิสัตว์แม้อยู่ผู้เดียวในวัยวนั้นก็ยังกลัวจึงระลึกถึงพระธรรมคุณมีสัจจะเป็นต้นและระลึกถึงพระพุทธคุณนะอยากจะเน้นอยากจะย้ําว่าอิติปิโสเนี่ยทั้งบาลีทั้งไทยทั้งแปลทั้งโดยอัฏฐะโดยพยัญชนะเนี่ยนะพยายามศึกษาให้มันเข้าใจให้ดีๆลึกซึ้ง แล้วก็อันนี้จะช่วยแก้ปัญหาเราได้ในทุกที่ทุกผนทุกแห่งแม้กระทั่งหลายคนกขาบอกโอ้เสียเวลาปฏิบัติมัแต่เจริญพุทธคุณมัวแต่สาทยายอิติปิโสบอกถ้าเขาบรรลุก็บรร ล, ลุเห็นคุณพระรัตนะตรายนี่แหละไม่ต้องไปกลัวว่าจะเสียเวลาเสียการปฏิบัติเสียโน่นเสีย น, น, ยนี่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าการพระพุทธปฏิบัติก็ปฏิบัติให้เห็นคุณของพระรัตนตรายนั่นแหละให้เห็นอรหันตคุณเป็นต้นของพระพุทธเจ้าให้เห็นความแสดธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นธรรมดี ที่พระองค์แสดงนั่นแหละให้เห็นความปฏิบัติดีแห่งพระสงฆ์ทั้งหลายมันก็ไม่ไม่เกินอิติปิโสหรอกมันก็สั่งสมความรู้ความเข้าใจในอิติปิโสเนี่ยนะอิติปิโสทั้งไทยทั้งบาลีให้เจริญให้สิ่งสิ่งเหล่านี้นะถ้าจะมีเรื่องอะไรที่เราดีใจที่สุดควรที่เราจะตามระลึกเสมอก็คือขอให้ใจของเราเนี่ยเป็นไปอยู่กับอย่างนี้ให้ประทับอยู่ในใจเลยนะใจของเราที่เหลือเนี่ยเราจะมีชีวิตอีกกี่คนและกี่ชั่วโมงเนาะ จะขอมีใจอยู่กับพระพุทธเจ้ากี่ชั่วโมงดีงนี่ยที่ต่ายมีโครงการนอย่างขอมีใจอยู่กับพระพุทธเจ้ากี่ชั่วโมงดีชีวิตที่เหลือนี่สามชั่วโมงน้อยไปมากเนาะวันละห้าชั่วโมงก็คิดเอากันแล้วกันว่าควรจะกี่ชั่วโมงดีอหรเนี่ยถ้าทําได้น้อยก็ก็จะไปต้องร้องเรียกแหอะไรจากใครทั้งนั้นเย่ยไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องใครทั้งนั้น ก็ตามสมควรกาบเหตุก็ใจเรายังเจริญพุทธคุณไม่ได้ก็ไม่ต้องอะไรแล้วนะก็สงสารตัวเองได้แต่อย่างเดียวอถ้าสงสารตัวเองจริงๆมันเจริญได้นะถามตัวเองเราจะทําบาปทํากรรมให้ตัวเองไปถึงไหนอย่างเงี้ย น, นะอา้าวถ้าเราไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไปคิดถึงใครอา้าคิดถึงแต่พวกกลุ่มเดรัจฉานกระถาทั้งหลายทั้งนั้นเลยแล้วไปไหนหล่ะครับนี้ซ่องเสพอัธยาสายของสัตว์อบายโดยที่ไม่รู้ตัว นะก็แสดงว่าเราไม่เห็นโทษของทางไปสู่อบายเป็นต้นไม่เห็นคุณแห่งทางไปสู่สุขติเนี่ยนะมันก็เห็นโทษของจิตที่เป็นอกุศลมากเท่าไหร่ใจของเราก็จะมั่นคงในพระพุทธคุณเท่านั้นแห ล, ละหลายเรื่องเนี่ยนะอย่างเรื่องเรื่องราวในโลกนี้มันยิ่งใหญ่มันดูสําคัญเหลือเกินจนเราจเจริญพุทธคุณไม่ได้เชื่อะพอมันผ่านไปนะัมันได้ใหญ่จริงอะไรหรอกอยังกระเด็กเล่นทุกเรื่องเลยนะแลลึกถึงแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละ ไม่เหมือนบุญกุศลนะเรื่องราวที่เป็นไปกับอกุศลเนี่ยมันจะดูยิ่งใหญ่ใหญ่โตอะไรขนาดไหนก็เหมือนฝันตื่นขึ้นมาแล้วก็หายไปชีวิตที่ผ่านมาก็อย่างนั้นนะพันถ้าหากว่าสิ่งนั้นไม่เป็นบุญกุศลเนี่ยละเลึกแล้วใจก็ง่อยเลยนะพันธหลายๆเรื่องเราพยายามว่าสิ่งที่สําคัญสิ่งนั้นสําคัญต่อชีวิตเราจริงหรือสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราจริงหรือพันธ์พระองค์เนี่ยสันเสริญในเรื่องวิจารณญาณการใไข้ครวญเพราะว่า ชีวิตของเราก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่จุดนี้ใช่ไหมหยุดได้ไหมอหยุดขอให้หนมสาวอย่างนี้ตลอดไปหยุดไม่ได้เนี่ยนะนี่นมที่สดุดสาวที่สุดแล้วพรุ่งนี้แกกว่านี้อีกค่าตัวลดลงไปเยอะเนี่ยนะ